ธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโ ว, วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12ตุลาคม2555มีชื่อเรื่องว่าปฏิบัติให้ถูกทิศทั้งหกนำสุขมาให้ วันนี้นบว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งคุณอดิษัก์แต่สุวรถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อไปบวชกับหลวงพ่อบวชที่วัดปวร์และก็ไปอยู่ที่วัดปานาคาน้อยแต่อยู่ไม่ได้นานแต่จากนั้นมาก็เป็นผู้มีศรัทธาทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งพี่น้องเลยไปมาหาสู่ก็ได้ช่วยเหลือ ครูบาอาจารย์พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งงานถ่ายรูปที่แรกก็คงจะสมัครเล่นธรรมดามั้งต่อมา ก, ก็เลยเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งงานพระราชทานเพลิงองค์หลวงตาก็ได้ช่วยเป็นอย่างมากจากนั้นก็ช่วยครูบาอาจารย์แต่ละวัดเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันทั่วนหน้าใครไม่รู้จักเจ๋งแปลว่าไม่ไม่ไม่อยู่ในกลุ่มฮะ เพราะคุณเจ๋งเข้าได้กับทุกคนทั้งฝ่ายหมูพวกเพื่อนทั้งฝ่ายญาติโยมทั้งฝ่ายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สรุปแล้วก็คือกว่างขวางในหมูในคณะในครูบาอาจารย์เป็นผู้มีน้ำใจรับใช้ครูบาอาจารย์ทั้งไปต่างประเทศก็หลายครั้งไปกับครูบาอาจารย์หงอื่นๆก็หลายครั้งไปกับหลวงพ่อก็เคยไปอินดงอินเดีย แล้วก็วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลทําบุญวันเกิดทําบุญวันเกิดของคุณเจงแต่ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อหลวงพ่อก็อได้ลงมานี่แหละถือว่าเป็นงานที่หลวงพ่อได้ตั้งอกตั้งใจมาจริงๆแหละงานนี้แล้วก็หลวงพ่อบุญมีแต่ปู่เลิมคงลืมวันมั้ง พอทัานกำลังสร้างสลาใหญ่คงจะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวระมังออท่านก็เลยลืมลืมวันพอถามไปจริงจริงอยู่ที่ภูแปกยังไม่ได้ลงมาแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าพวกเราดูดูแล้วก็เออมีครูบาอาจารย์พระออไม่ครบห้าอย่างเนี้ยแต่พวกเราจะไปคิดอย่างอื่นนะคณะสัทยาดญญาโยมลูกลานถ้าพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่าเอาพรามเข้ามาอย่าไปถือว่าพระท่านองค์พระท่า น, น, นี้องค์ถ้าเป็นพระดีองค์เดียวก็เลิศประเสริฐถ้าเป็นพระหันเราได้ทําบุญกับพระหันองค์เดียวแต่กระท่าทำบุญกับปุตุชนพระปุตุชนเป็นร้อยแต่เป็นผู้มีศีลก็ยังดี ถ้าหาว่าเป็นพระผู้ทุศิลเป็นแสนเป็นล้านก็สู้พระองค์เดียวไม่ได้อันนี้พวกเราเอาหลวงพ่อไม่ได้พูดให้เวอร์นะแต่เป็นหลวงพ่อไม่ได้ยกบนหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังหลังเหตุผลคือคําว่าพระอระหันต์กับพระทุศิลป์มันต่างคนละคนละแนวเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทําบุญวันนี้เป็นพระอย่างที่พวกเราเห็น แต่พวกเราจะไปคิดเป็นอย่างอื่นคาว่าพระที่พวกเราเห็นอันนั้นแะคือคณะสงฆ์นหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถ้าว่าสามองค์นี่ก็เรียกว่าคณะถ้าสีองค์นี่แปลว่าครบอ ง, งค์สงฆ์ถ้าหากว่ามีคดีความมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในสงฆ์พระสีรูปนี่มานั่งพอมานั่งเสร็จแล้วก็ตัดสินตัดสินคดีความแปลว่า คดีนั้นแปลว่าจบด้วยองค์สงถ้าหาว่าใครจะฟื้นคดีความขึ้นมานี่ยต้องมาทําความเข้าใจกับคณะสงศีองคศอก่อนแต่ถ้าหาว่าคณะสงศีองค์ตัดสินไปแล้วกลุ่มเอ่นมาตัดสินเป็นอย่างอื่นปรับอบัติแก่สงกลุ่มนั้นเพราะว่าสงกลุ่มนี้ตัดสินใจแล้วอันนี้คือคณะสงเป็นตั้งแต่ศีองค์ขึ้นไปต้องลงพระปฏิโมก ถ้าไม่ลงพระปฏิโมก์ปรับอบัด<อ>สงสีองค์ในแปลว่าสงสมบูรณ์สมบูรณ์ในสงแต่ถ้าหากว่าอับพานใกล้พระออกจากอาบัตต้องใช้ยี่สบองค์ยี<อ>่สิบองค์เป็นเป็นผู้อับพาพลพระที่ออกบัดจากอาบัด อ, อันนั้นคืออีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าในสงของพระพุทธเจ้าเนี่ย เหนือกว่าผู้แทนรัฐดอเหนือกว่าสภาผู้แทนคือสภาผู้แทนรัฐดรเนี่ยถ้าหากว่าคนในกลุ่มนั้นข่าเสียงเลยครึ่งสมมติว่าสิบเอดเสียงอย่างเนี้ยถ้าหากว่าออกเสียงหองแปลว่าฝ่ายนั้นชนะถ้าหากว่าเสียงไม่พ อ, เ, อเสียงน้อย ไปว่าเป็นผู้แพ้ฝ่ายแพ้แต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่พระเป็นหมื่นเนี่ยพระมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามแต่ถ้าลงมติกันองค์หนึ่งคัดค้านเพิกองเดียวท่านน่ะคัดค้านมาข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยการที่จะทําอย่างนี้สงทําอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยสงทั้งหมดต้องฟังถ้าเป็นหมื่นก็ตามเป็นร้อยก็ตามเป็น10บยี่สองค์ก็ตามต้องฟัง ไปว่าสัง่งฆากรรมนั้นไปว่าพับไปเลยแต่ไม่ใช่พับเพียงเท่านั้นนะพอพับเสร็จแล้วเทนี้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยก็เรียกองค์นั้นละองค์ที่ไม่เห็นด้วยมาพูดให้ฟังทีท่านไม่เห็นด้วยเพราะอะไรทําไมท่านจึงไม่เห็นด้วยท่านนี้พระสงฆ์ก็นั่งสงทั้งหลายตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปละนั่งฟังละเทนี้ให้องค์นั้นชี้แจงข้าไม่เจ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอะไรทั้งสงเลยก็ชี้แจงให้ฟังว่า ท่านอาจจะเข้าใจผิดในจุดนี้จุดนั้นชี้แจงแต่ว่าองค์นั้นอ่ะพูดด้วยทิฐิด้วยมานะด้วยชั้นทาคติโทสากติโมหะคติพยคติอย่างอื่นไม่ไปตามหลักพระธรรมวินยัยสงกลุ่มเนี่ก็สวดประกาศอีกแต่นี้สงององค์นี้มาอยู่ในไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยออกนอกรูนอกทางตั้งอยู่ในอคติสเพราะนั้นไม่น่าเชื่อถือ ลงประนามอีกยาพูดในหน้านะต่อไปถ้าท่านพูดอีกสวดประกาศในทั้งสองสามครั้งปรับอาบัตรหนักให้เอกแก่องค์นั้นอีกเนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านท่านมีข้อแม้เรามีกฎระเบียบในการปกครองสงฆ์แต่ทุกวันนี้ใครหลวมปากก็พูดไปใครคัดค้านไปในพูดแทนรัษฎรแต่พระสงฆ์ไม่ได้ถ้าว่าใครไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรต้องมาสืบสอบกันเพราะนั้น ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสงสีองค์เนี่ยเป็นสงของพระพุทธศาสนาเป็นสง์ตัดสินคดีความ เ, เป็นที่ยอมรับของอพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละคือถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกเราก็คงจะไม่เข้าใจและสงสยัยถ้าหากว่าพวกที่หลวงพ่อเปิดประเด็นแล้วอย่างนี้นะพูดแล้วอย่างนี้ถ้าพวกเรายังสงสยัยให้สืบสอบถามดู กับครูบาอาจารย์กับพระสงฆ์ที่เป็นฝ่ายพระสงค์ที่รักษาธรรมวินัยนะคงจะไม่พูดนอกเหนือจากหลวงพ่อพูดเพวัะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งได้ทําบุญกับครูบาอาจารย์ได้ถวายพระตาหารด้วยบุญด้วยกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ได้ทำในคราวนี้อันนี้สงแห่งการทําทานทําบุญทําทาน ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบรรยายท่านปรอบตัดไปว่าเกิดในพพใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอั น, น้สงในการทำทานถ้าว่าผู้ใดไม่สนใจไม่ทำบุญทำทานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้ขัดสนในเรื่องปัจจัยสี่เพราะเหตุไรเพราะหลักของพุทธศาสนาเนี่ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะพวกคณะัท า, า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานนะ ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ให้เกิดนั่นคืออะไรคือร่างกายของเรานี่ที่มองมองเห็นนี่เขว่ารู ป, ปธรรมส่วนที่มองไม่เห็นอันนั้นเรียกว่านามธรรมนามธรรมมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าอีกพูดอีกอย่างหนึ่งพวกเราก็ว่าสมองแต่หลักของพุทธศาสนาท่านวาใจท่านว่าผู้รู้ท่านว่านามธรรม แต่ว่าสมองตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ศีรษะแต่ว่าในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าใจคือใจที่หัวใจมันเต้นไอ้ที่หัวใจอันนี้ว่าใจในหลักของพุทธศาสนาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ มนโนภุพังคมาธรรมามโนเศรษามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจนั้นถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับคนขับรถแต่คนขับรถกับรถถ้ารถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับถ้าหาว่าไม่มีคนขับรถกันนั้นก็ไปไม่ได้นี่ก็เหมือนกัน ใจดวงนี้เหมือนกับคนขับรถแต่พระพุทธเจ้ า, าเนี่ยทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องใจตัวนมามธรรมที่มองไม่เห็ น, นท่านให้ความสำคัญจุดนั้นมากกว่าท่านบอกว่ามโนปุพังเข้มาธรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จและรวยใจคือท่านให้ความสำคัญโซเฟอร์มากกว่ารถรถเนี่ยถ้าหากว่าโซเฟอร์ไม่ดี ขับรถไปเหยียบคู่คนเขาก็ไม่ได้ตำหนิรถเขาตำหนิคนเพราะคนขับรถไปเหยียบคู่คนแต่ถ้าหาว่าโซเฟอร์บีบแก<อ>ไปที่ไหนบีบแกลั่นไปหมดดาไปหมดคนทั้งหลายเขาก็บอกโซเฟอร์นิสัยไม่ดีบีบแกไม่รู้จักการสถานที่เป็นที่ลำคาญกับคู่คนอันนี้ก็เหมือนกัน<อ>ร่างกายในยเหมือนกับรถ แต่ใจของเราเยอยูใ่ในร่างกายถ้าเราออกหมัดออกมวยไปชกไปต่อยไปตีคนอื่นเขาเขาก็วัดใจคนนั้นไม่ดี<อ>แต่มันใช้ร่างกายไปทำร้ายทำลายคนอื่นแล้วก็เอาวาจาเป็นทางพูดพูดออกไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ไม่เป็นที่สร้างสรรค์อันนี้เขาบอกว่าใจดวงนั้นพูดออกไนทางวาจา อใจของนั้นไม่ได้รับการอบรมที่ดีเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าท่านให้อบรมใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนเนอในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูนร่างกายตายแน่แต่จิตใจของคนนั้นอ่ะออกจากร่างแล้วไปสู่พบภูมิต่างๆเพราะนั้นพวกเราจึงไม่ไว้ใจพวกเราจึงสร้างบุญสร้างกุศลอย่างวันนี้ล่ะ ่พอที่จะทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลถ้าว่าพวกเราทําบุญทํากุศลแล้วใจนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับคุณงามความดีถ้าว่าทําความชั่วใจนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับความชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงทําบุญเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราในหลักตามหลักของพระธรรมคำสอนพวกเราจะจะพิสูษถูอยากจะพิสถูจริงจริงจริงจังก็มาบวชมาบวชกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะสอนวิชาให้ อถอนแนวทางให้อจะพิสูจน์จะไงตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์มีวิชาที่ททหลวงพ่อจะสอนให้หลวงพ่อจะสอนให้ได้เลยละ่ะถ้าหากว่าพวกเราสนใจนะพระในค้างพระพุทธเจ้ายาังมีนะเเคาะกระโหลกศีรษะคนไปเกิดที่ไหนไหนอแต่ว่าไปเคาะกระโหลกของพระอรหันต์ไม่รู้ทางไปทางมาพระพุทธเจ้ า, จา ว, ว่า อยากจะรู้วิชานี้ให้มาบวชก่อนพระพุทธเจ้าทว่านะให้มาบวชก่อนเราจะสอนวิชานี้ให้พระวังคีสากยอมบวชพ้อยอมบวชแล้วเกิดพอได้สําเร็จเป็นพระหรหั์แลสเตนโอจบไม่ต้องไม่ต้องถามอีกแล้วจบแล้วรู้แล้วนี่แหละนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายแง่มุมที่พวกเราจะต้องศึกษาอย่างวิชาทางโลกพวกเราศึกษาก็ยังไม่จบใช่ไหมล่ะ ลูกหลานเรียนวิชาทางโลกเป็นลูกกี่คะแนงต่อกี่คะแนงทําไมจึงจะเฉลียวฉลาดปาดเปลืองขนาดนั้นนั้นะ่ะอพอเข้ามาผ่านเดินผ่านวัดก็รู้บททุกอย่างแล้วอมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องศึกษาอมันต้องศึกษามันต้องสวนลึกคลองไปพุทธเจ้าสอนยังไงพุทธเจ้าตรัสรู้ยังไงพทธเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ทําไมจึงหนีออกไปบวชไปบวชอยู่ในปา่าดงโพงผายนะั้นท่านไปทําอะไรบ้นท่านไปคิดอะไรบ้าน ทิศอะไรบ้างท่านทําอะไรบ้างอยู่ในแต่ละวัน เ, นเออทั้งหกปีเนี่ยแล้วสูตรสาเร็จวันสูตรสาเร็จนั้นท่านสูตรสำเร็จอะไรอันนี้หลักของพุทธศาสนาบอกไปหมดเพราะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงแบบแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเออเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า ญ, ญาติโอมลุกหลานนะที่หลวงพ่อพูดฟังทางนี้ทางนั้นให้สังเกตเออถึงจะไม่เชื่อก็ให้ฟังไว้ก่อนที่หลวงพ่อพูดเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราเอาทิฐิมานะเอาความเชื่อของตนเองไปสุดโตง่งไม่ใช่นะอย่าไปสุดโต่งขนาดนั้นสุดโต่งทางไม่เชื่อนะแต่ให้ฟังไว้ก่อนฟังเหตุฟังผลหลักของพุทธศาสนาในศาสนาเหตุผลทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริ ง, รงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกใครทํากรรมดีคนคนนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ เน่ยในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นระดับระดับนะหลักฐานนะถ้าคาว่าพวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมอย่างนี้เราต้องอยู่ในกรอบของทิศทั้ง6ทิศทั้ง6คืออะไรพระพุทธเจ้ า, าว่าถ้าว่าผู้ใดก็ตามอยู่ในทิศทั้งหกรอบทิศทั้งหกมีแความเจริญทิศทหคืออะไรทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเราปฏิบั ต, ติต้นยังไงต่อบิดามารดาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทําให้ถูกต้องให้เคารพสิทิ์ซึ่งกันและกันให้รู้จักการเป็นอยู่สามีมีหน้าที่ภรรยา ม, มีหน้า ท, าาที่ช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนอย่างไร ในสามีภรรยาอันนี้คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์พวกเราต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนถึงจะทําวิชาอาชีพไหนก็ตามต้องมีมีครูบาอาจารย์คือทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายพวกเราต้องมีขันยานามิตรที่ดีอย่างเสียเจ๋งเนี่ยมีหมูมีเพื่อนถ้าเป็นหมูเพื่อนที่ดีเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออา l e บอกกล่าวไปที่ไหน ก็มีหมูเพื่อนก็รับขับสู้ไปที่ไหนก็นสะดวกสบายไอ้เดกกาลยานามิตรธรรมาค้าขายก็ไปได้เพราะมิตรที่ดีทิดเบื้องซ้ายมิตรสหายทิดเบื้องต่าลูกน้องบริวารถ้าเราใส่ใจลูกน้องบริวารให้เกียรติเขาดูแลเขาเจ็บไข้ได้ป่วยให้รางวัลอาหารเขาลูกน้องก็ดีกับเราการจะสั่งการสั่งงานก็ราบรื่นเพราะเห็นไร เพราะบริวารลูกน้องของเราดีอันนี้คือคือทิศเบื้องตำแอะทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์อย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเออลูกหลานเอ้ยอย่าไปทําเน้อสิ่งที่มันไม่ดีทำสิ่งที่ดีเน้อให้เคารพพ่อเคารพแม่เน้อให้สามีภรรยาให้รู้จักสิทธิ์ของตนเองเน้อเออให้เคารพครูบาอาจารย์เน้อเออท่านเป็นผู้แนะนําสั่งสอนมาแล้วให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์เน้อให้ ปฏิบัติตันให้ถูกต้องต่อการยานามิตรเนะอะจะไปหักหน้าหักหลังเขาจะไปคดไปโกงหมู่พกเพื่อนเนอะไม่ดีเนอะไอ้ น, นี่วะทิศเบื้องซายมีทิศเบื้องต่ําก็ให้ดูเนอะลูกน้องบริบาลที่เข้ามาอาศัยเราเราต้องให้ความอบอุ่นเขาเนอะเกื้อกูลหนุนเขาเนอะแบบ่งปันอะไรอาหารรางวันเงินเดือนก็ให้ความตามความเหมาะสมเนอะลูกน้องของเราเนอะดูเขานะสมณะพราหมณ์ก็ดูสมณะพราหมณ์ของนี่ยยามหลวงพ่อนะแนะนําสั่งสอน อันนี้ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติต่อทิศทั้งหกถูกต้องอพวกเรามีแต่ความเจริญเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนลูกหลานะพวกเราได้ยินแต่ทิศทั้งสี่กับทิศทั้งแปดนะทิศทั้งสี่กับทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดกับบุรพาอาคเนทั้งิีพายับนะอันนี้ทิศทั้งแปดแต่ทิศทั้งหกเนี่ยน่ะเพระพระพุทธเจ้าสอนทิศทั้งหก เพื่อความเจริญเพื่อความพัาสุขของพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติต่อทิศทั้งหกพระพุทธเจ้าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถึงยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเ อ, อให้ประกอบคุณงามความดีเนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าอย่าทําทําแต่สิ่งที่ดี อ, อคิดดีทดําดีพูดดีมีแต่ความเจริญต่อนนี้ไปรับพรนาฏณีนะ